เมื่อวานมีเด็กผู้ชายสองคนมาหาที่สารานา้ำมากับพ่อแม่ก็มาหาเป็นประจำนะสองคนนี้ก็ชอบเล่นปิงปองนะเป็นนักกีฬาแข่งปิงปองมาหลายนัดแล้วมีช่วงหนึ่งพี่น้องก็คุยกันเรื่องปิงปองนี่แหละ แล้วคนน้องก็พูดทำนองว่าการแพ้นี่มันมันไม่มีศักดิ์ศรีนะเราก็เลยคุยกับเขาเลยนะว่าศักดิ์ศรีของนักกีฬานี่มันไม่ได้อยู่ที่แพ้นะหรือชนะมันอยู่ที่มีความภาพเพียรพยายามหรือเปล่ามีความซื่อสัตย์สุจริต หรือว่าคดโกงไม่ทำตามกติกาไหมนะรวมทั้งมีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยตรงที่ตั้งหากคือศักดิ์ศรีของนักกีฬาถึงแม้จะแพ้นะแต่ว่ามีความซื่อตรงไม่กโกงแล้วก็มีความช่วยเหลือกรุณานะช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นคือมีคุณธรรมเนี่ยถึงแม้แพ้นะแต่ก็ถือว่ามีศักดิ์ศรีนะ ยกตัวอย่างกรณีที่เพิ่งเกิดขึ้นนะในกีฬาโอลิมปิกนะที่เพิ่งจบไปมันมีการแข่งวิ่งแข่งนะ0 0เมตรรอบคัดเลือก 5,000 เมตรก็5กิโลเป็นการแข่งของนักวิ่งผู้หญิงก็มีคราวหนึ่งวิ่งไปได้สัก 2,000 เมตรได้ นักกีฬาชาวนิวซีแลนด์ชื่อนิกกี้ก็เกิดพลาดท่านะหกล้มนักกีฬาอเมริกันชื่อแอ็บี้วิ่งตามหลังมาก็เลยชนนะชนเสร็จนะแอบี้เนี่ยนักกีฬาอเมริกันก็เห็น y, นิกกี้นักกีฬานิวซีแลนด์ทำหน้าเสียถ้าทามันก็จะร้องไห้เพราะว่าพอล้มแล้วเนี่ย มันก็แปลว่าโดนคนอื่นแซงแล้วก็อาจจะเข้าถึงเส้นชัยช้าไม่ได้เวลาที่ต้องการแอบบี้เนี่ยซึ่งเป็นชาวอมเมริกันก็เลยแทนที่จะวิ่งต่อนะก็เลยพยุงนิกกี้ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าสู้เถอะนะเราต้องสู้ไปถึงที่สุดต้องสู้ไปจนถึงต้องวิ่งให้ถึงเส้นชัยให้ได้นะอันนี้น่าทึ่งนะ ตัวแอบบี้เนี่ยแทนที่จะรีบวิ่งนะกลับมาช่วยพยุงเพื่อนซึ่งก็ไม่ได้รู้จักแทนเป็นคู่แข่งด้วยก็พยุงนิกกี้ขึ้นแล้วก็วิ่งไปต่อวิ่งไปสักพักแอบบี้เนี่ยนะนักกีฬาเมริกันเนี่ยเกิดบาดเจ็บหนะ้าที่ข้อเท้าคงเพราะผลจากการล้มเมื่อสักครู่ก็เลยวิ่งกระเพกกับเพกข้านิคกี้เนี่ยชาวนิวซีแลนด์ก็แทนที่จะวิ่งเลยไปนะก็ช่วยพยุงเพื่อน เพราะสาบซึ้งในน้ำใจของแอ บ, บี้นะที่เมื่อสักครู่นี้ก็ยังช่วยพยุงเขาขึ้นมาตอนนี้ก็เป็นโอกาสที่เขาจะได้ช่วยแอ บ, บี้แล้วนิกกี้ก็พยุงแอ บ, บี้ขึ้นแล้วก็วิ่งไปด้วยกันก็เพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยไปถึงเส้นชัยเนี่ยช้าไม่ได้เวลาที่ต้องการคือมีคนอื่นแซงไปก่อนแต่ว่าโชคดีนะที่กรรมการเนี่ยเขา เห็นความดี <c oughs> <c oughs> เห็นน้ำใจนักกีฬาของสองคนนี้ก็เลยอนุญาตให้เข้ารอบได้อันนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างแล้วถึงแม้แพ้นะสองคนเนี่ยแพ้นะแพ้คนอื่นเพราะว่าเข้าถึงเส้นชัยชานะ้าแต่ว่าเป็นการแพ้ที่มีศักดิ์ศรีไม่ใช่แพ้เพราะว่าไม่เพียรพยายามแต่ว่าเพราะมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น ตรงข้ามถ้าคนที่ชนะนะแต่ว่าชนะด้วยการคดโกงเช่นโดบยาอันนี้ก็มันไม่ใช่ศักดิ์ศรีนะเราก็เล่าให้เด็กนะเขาเข้าใจว่าศักดินะ์ศรีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องแพ้ชนะมันเป็นเรื่องของน้ําใจเรื่องคุณธรรมเรื่องความซื่อสัตย์จริตมากกว่าพูดถึงเรื่องโอลิมปิกนี่ก็มีตัวอย่างทํานองนี้เนี่ยอยู่เยอะนะถึงแม้ว่าโอลิมปิกเนี่ยมันจะมีเรื่องราวของการคดโกงเยอะนะ เพราะการโดบยาแต่ว่าเรื่องของความมีน้ำใจเ อ, อื้อเฟื้อเกอื้อกูลก็มีเยอะประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบปีก่อนมันมีการแข่งวิบากนะก็มีชาวนอร์เวย์เนี่ยเป็นตัวเต็งระดับหนึ่งแล้วก็วิ่งนำมาตลอดแต่ว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าพอไปเจอน้ำเนี่ยนะปรากฏว่าหกล้ม แล้วก็ทำนาฬิกาหล่นหายนาฬิกาคง ม, มีค่ามาแกก็พยายามงมนะนักกีฬาฝรั่งเศสตามมาติดๆพอเห็นเพื่อนเนี่ยหกล้มแล้วก็พยายามงมหานาฬิกาก็ช่วยช่วยเพื่อนหานาฬิกานะช่วยเพื่อนหานาฬิกาจนเจอนะนักกีฬาฝรั่งเศสคนนี้ชื่อดูเกสนะพอหาเจอเสร็จไปไงทั้งสองคนก็วิ่งต่อ แต่คราวนี้เนี่ยนอร์เวย์เนี่ยชื่อนูมีเนี่ยนะทราบซึ้งน้ำใจของดูเกสมากแทนที่จะวิ่งฉุยไปเลยนะก็วิ่งวิ่งเคียงข้างดูเกสนะทั้งที่ตัวเองวิ่งเร็วกว่านะแต่วิ่งเคียงข้างแล้วก็บอกให้ให้ดูเกสเนี่ยวิ่งแซงไปเลยเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ได้เป็นที่หนึ่งแล้วนะแต่คุณมาเสียเวลาช่วยฉันคุณวิ่งไปเลยนะให้ดูเกสไม่ยอมนะดูเกสบอกว่าก็ให้หนูมีเนี่ยวิ่งไป ไม่ต้องมาวิ่งประคองชันนะไม่ต้องวิ่งมามาวิ่งประคองผมไอ้นูมิก็ไม่ยอมน ะ, ะสุดท้ายนะก็เข้าเส้นชัยทั้งคู่นะแต่ว่าเขาก็ให้หนูมิได้รางวัลไปได้เหรียญทองไปอันนี้เป็นเรื่องคนที่มีโอกาสจะได้ที่หนึ่งแล้วนะดูเกสเนี่ยเพราะว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยเขาล้มแล้วเขากำลังงมหานาฬิกาแต่ดูเกสไม่เฉยโอกาส แถมช่วยเพื่อนด้วยนะอันนี้มันเป็นน้ําใจนักกีฬานะะที่มักจะมองข้างกันไปน้ําใจนักกีฬาไม่ได้แปลว่ารูแ้แพ้รู้ชนะนะแต่ว่ายังรวมถึงว่าแม้จะมีโอกาสชนะแต่ไม่ทําถ้าหากว่ามันมีสิ่งที่ควรทํามากกว่านะเช่นช่วยเพื่อนอีกคราวหนึ่งนะแข่ง น, นี่หลายปีต่อมานะประมาณสักกี่ศกวรรษที่แล้วเนี่ยสองพันสาสิบเอ็ดมั้งแข่งเรือใบนะ นักกีฬาชื่อเลอร์มิค์เนี่ยชาวแคนาดาเนี่ยเป็นตัวเต็งนะก็แล่นเรือเฉลียวเลยปราะว่ามองไปนะข้างหลังเนี่ยเห็นนักกีฬาสิงคโปร์เนี่ยเรือจมนะเรือมันเจ้าตัวนี้ก็ลงลงไปอยู่ในทะเลแล้วแล้วตอนนั้นก็คงไม่มีใครอยู่ด้วยเนี่ยเลอร์มิ์เนี่ยนะหันกลับเลยนะ กลับไปทำไมไปช่วยนักกีฬาของสิงคโปร์เพราะเห็นว่าไปช่วยเขานั่นแหละก็เลยพลาดเหรียญทองโอลิมปิกไปแต่แกก็ไม่เสียใจนะเพราะถือว่าเหรียญทองนมันสำคัญน้อยกว่าการช่วยชีวิตของเพื่อนมนุษย์ถึงแม้จะเป็นคู่แข่งนะคนละชาติก็ตามล่าสุดเมื่อสิบ ป, ปีที่แล้วเนี่ยก็มีแข่งแข่งส ก, กีนะแข่งส ก, กี ปรากฏว่านักกีฬาฟินแลนด์มั้งเปิตัวเต็งเหมือนกันนะแข่งไปแข่งไปไอ้ไม้ไม้ค้ำส ก, กีนี่หักไปข้างหนึ่งโอ้ใจเสียเลยนะเพราะว่ามันก็ไปต่อไม่ได้เลนะจู่ๆมีนักกีฬานะแคนาดานี่ยื่นไม้ค้ำส ก, กีให้ข้างหนึ่งนะเขาก็เลยควา้า ไม้คำกีฬาไอ้ไม้คําสกีแล้วก็แล้วก็เล่นต่อนะไอ้คนที่ยื่นไม้คํำสกีให้ก็มีโอกาสได้รางวัลนะแต่ว่าเขาเห็นเพื่อนเนี่ยนะไม้คํำสกีหักนะเขาก็อยากจะช่วยทั้งนั้งที่อยู่คนละชาติก็กลายเป็นว่านักกีฬาฟินแลนด์ก็ได้เหรียญทองไป อันนี้มันเป็นเป็นเรื่องที่น่าประทับใจนะที่มันมีอยู่เป็นระยะระยะในการแข่งขันที่สาคัญรวมทั้งโอลิมปิกด้วยแต่คนมักจะมองข้ามนะไปสนใจกับคนที่ได้ชัยชนะนะแต่ว่าคนที่ไม่ชนะแต่มีน้ำใจเนี่ยก็ถือว่าเขาชนะเหมือนกันนะอย่างคนที่ยื่นไม้คามสกีให้เนี่ยชาวแคนาดานี่ แกก็บอกว่าเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าชนะโดยที่ไม่สนใจที่จะช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นชัยชนะที่น่าภาคภูมิใจได้อย่างไรวันนี้มันเป็นคำพูดที่น่าประทับใจมากนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาแข่งขันเนี่ยผู้คนเนี่ยมักจะไม่สนใจเรื่องน้ําใจแล้วคิดแต่จะเอาชนะอย่างเดียว ที่จริ ง, รงการแข่งขันเนี่ยไม่ว่ามันจะแข่งขันอะไรก็ตามนะสิ่งที่เราควรมีก็คือรักษาความเป็นมนุษย์ของเราเอาไว้เดี๋ยวนี้การแข่งขันเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยกลายเป็นเครื่องจักรนะเป็นเครื่องจักรที่จะไล่ล่าเหรียญทองไล่ล่าเหรียญเงินหรือว่าไล่ <c oughs> ล่าถ้วยการแข่งขันนี่มันทําให้คนเนี่ยนะมันเรียกว่าหลุดจากความเป็นมนุษย์นะกลายเป็นเครื่องจักรคิดแต่เอาชนะอย่างเดียว ไม่มีความเป็นคนหลงเหลือแล้วเพราะว่าไม่สนใจเรื่องคุณธรรมนะคิดแต่จะหาทางกันแก้งคู่ต่อสู้อย่างนี้เราเป็นเครื่องจักรแล้วนะเป็นเครื่องจักรไล่ล่าเหรียญทองแล้วคนก็เชิดชูนะไอ้การทำให้คนเนี่ยกลายเป็นเครื่องจักรนะที่จริงเนี่ยนะไม่ว่าจะแข่งอะไรก็ตามแข่งวิ่งแข่งกรีทาฟุตบอลบาสเกตบอล คนเราเนี่ยจะต้องคงความเป็นมนุษย์เอาไว้คือมีน้ำใจเห็นเพื่อนที่เป็นคู่แข่งเขาหกล้มก็ช่วยพยุงเขานะแต่เดี๋ยวนี้การทำแบบนี้ถูกหาว่าโง่นะถูกหาว่าโง่ถูกหาว่าทิ้งโอกาสโอกาสทองไปคนที่ทิ้งโอกาสทองเนี่ยนะก็เรียกว่าเขาทำตัวเป็นเครื่องจักรไปซะและ้วเป็นเครื่องจักรที่จะไล่ล่า เอาชายชนะหรือว่าเหรียญทองอย่างเดียวแต่คนเรามันไม่ใช่เครื่องจักรนะคนเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือเป็นเป็นคนอาชีพแต่ก็าตามเนี่ยสิ่งที่ต้องมีนะเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานคือความเป็นมนุษย์นะจะอยู่ในลูกจะอยู่ในสนามนะก็อย่าให้กติ ก, กาหรือว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมันทำให้ เราสูญเสียความเป็นมนุษย์หรือว่าลดทอนความเป็นมนุษย์ในตัวเราก็ยังเป็นมนุษย์เหมือนเดิมนะแม้ยังต้องแข่งแม่ต้องวิ่งนะแม่ต้องอทำเวลาให้ดีที่สุดถ้าว่าคนเราเนี่ยวิ่งไปวิ่งไปแข่งไปแข่งไปความเป็นมนุษย์มันหายไปนะเราก็จะกลายเป็นเครื่องจักรได้ง่ายๆอันนี้มันไม่ใช่เฉพาะนักกีฬาอย่างเดียวนะเวลาแข่งเวลาสอบ นะสอบสัมภาษณ์นะสอบเข้าหมายเทลัยเนี่ยเดี๋ยวนี้คนนักเรียนนักศึกษากายเเครื่องจักรไปแล้วก็คือคิดแต่จะไล่ล่าหาคะแนนเอาคะแนนให้ได้แม้จะต้องโกงก็เอาให้ความเป็นมนุษย์นี่มันหล่นหายไปแล้วความซื่อสัตย์สุจริตก็ทิ้งไปกีฬาเนี่ยนะที่ก็บอกว่าเนี่ยกีฬาเป็นยายวิเศษเนี่ยมันต้องทาให้คนเราเนี่ย มีน้ำใจมีคุณธรรมแบบนี้ไม่ใช่มีน้ำใจนักกีฬาแค่ว่ารู้แพ้รู้ชนะแค่นั้นมันยังยังไม่พอนะแม้จะมีโอกาสชนะแต่ว่าไม่ทําเพราะว่าต้องการช่วยเหลือเพื่อมนุษย์เพราถือว่าการช่วยเหลือสําคัญกว่าชัยชนะอย่างนี้แหละนะที่เรียกว่าเป็นน้ํำใจนักกีฬ า, าแท้จริงแล้วก็เป็นเครื่องแสดงความเป็นมนุษย์นะแล้วนี้แหละคือศักดิ์ศรีนะที่สําคัญยิ่งกว่าอย่างอื่นอ่าแล้วก็เตรียมรับพร